พระตรปิฎกเล่มที่สิบพระสุตรตันตปิฎกเล่มที่สองที่้านิกายมหาวัคขอน้อมน้อมพระผู้มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระสูตรที่หนึ่งมหาประทานนสูตรว่าด้วยประวัติของพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์เรื่องเกี่ยวกับปุเพนิวาทสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กเรริกุติ ณพระเชตวันอารามของอนาถบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุหลายรูป ก, กลับจากบินทบาทภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันที่หอนั่งใกล้กับเรริมณดบสนทนาธรรมอันเกี่ยวกับปุบเพนิวาดมีได้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ปุเพนิวาดหมายถึงชีวิตในชาติก่อนคือการสืบต่อของขันที่เคยเป็นอยู่ในชาติก่อน อาจหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างพระผู้มีพระภาคทรงสดับคําสุนทนาของภิกษุเหล่านั้นด้วยทิพโสดาตอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์สเสด็จไปที่หอนั่งนั้นประทับนั่งแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าเธอทั้งหลายสนทนากันด้วยเรื่องอะไรสนทนาเรื่องอะไรค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้งหลายสนทนาธรรมอันเกี่ยวกับปุเพนิวาสพราบุตรเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าเธอทั้งหลายต้องการจะฟังธรรมีกาถาอันเกี่ยวกับปุเพนิวาสอยู่หรือไม่พวกภิกษุทูลตอบว่าต้องการฟังพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายนับจากกับนี้ถอยหลังไปเก้าสบเอ็ดกับ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 ในพัทธรกับนี้เองพัทรักับคือกับที่เจริญหรือดีงามเนื่องจากเป็นกับเดียวที่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติถึงห้าพระองค์ในที่นี้หมายถึงกับปัจจุบันนี้ในพัทธรกับนี้เองพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ก, ากัุสันทะพระนามว่โกนาคามณนะพระนามวกัสปะได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกบัดนี้ เราผู้เป็นอรหันตสตร ม, มาสัมพุทธเจ้าก็ได้อุบัติขึ้นมาในโลกในพัทรกกับนี้เช่นกันจากนั้นได้ทรงตรัสถึงพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีพระชาติกาเนิดด้วยวันนใดมีพระโคตชื่อใดมีพระชนมายุเท่าใดตรัสรู้ที่ใดมีพระอัครสาวกซึ่งเป็นสาวกชั้นยอดมีคุณสมบัติพิเศษกว่าสาวกอื่นซึ่งแต่ละพระพุทธเจ้าจะมีเพียงสองท่าน ได้แก่ท่านใดบ้างมีสาวกท่านใดเป็นอุปถากเป็นอัคระอุปถากรัตถึงนามของพระบิดาพระมารดาของแต่ละพระองค์มีการประชุมพระสาวกกี่ครั้งมีภิกษุผู้เข้าร่วมประชุมกี่รูปการประชุมพระสาวกในที่นี้หมายถึงการประชุมสงฆ์ที่ต้องประกอบด้วยองค์สีคือหนึ่งภิกษุผู้เข้าประชุมทั้งหมดมีพระพุทธเจ้าเป็นอุปชา 2. อิกษุผู้เข้าประชุมทั้งหมดมีบาทและมีจีวรเกิดจักริตรสามพิษุผู้เข้าประชุมทั้งหมดเข้าประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย 4. วันประชุมตรงกับวันอุโบสถขึ้น15าคำ่ำพระาศาสดาทรงสแสดงอุโบสถคือโอวาทปาติโมกด้วยพระองค์เอง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 ผู้ตัดทางได้แล้วทางคือกรรมวัฏตะหรือวงจรกรรมผู้ตัดวัฏตะได้แล้ววัฏตะหมายถึงสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดผู้ล่วงทุกข์ทั้งปวงได้แล้วทุกข์ในที่นี้หมายถึงวิปากวัฏตะคือวงจรวิบากทั้งโดยพระชาติพระนามพระโคดพระชนมายุคู่พระอัครส า, าวก และการประชุมพระสาวกว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงมีพระชาติอย่างนี้มีพระนามอย่างนี้มีพระโคทอย่างนี้ทรงมีศีลอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้ทรงมีธรรมะอย่างนี้ทรงมีปัญญาอย่างนี้ทรงมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้ในที่นี้หมายถึงนิโรธสมาบัติแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้น จึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้ในที่นี้หมายถึงวิมุตห้าประการท่านผู้มีอายุเป็นอย่างไรหนาเพราะพระตถาคตทรงมีปัญญาแทงตลอดธรรมธาตุนี้จึงเป็นเหตุให้ทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตการผู้ปรินิพานแล้วหรือเพราะเหล่าเทวดาได้กราบทูลความข้อนี้แด่พระตถาคต จึงเป็นเหตุให้ทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตการภิกษุเหล่านั้นสนทนาเรื่องค้างไว้เท่านี้ครั้นในเวลาเย็นพราผู้มีพระภาคเสด็จออกจากการหลีกเร้นในที่นี้หมายถึงพลาสมาบัดเข้าไปอย่างหอนั่งประทับนั่งแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนาการด้วยเรื่องอะไร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 ในอดีตการผู้ปรินิพพานนานแล้วได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะตถาคตมีปัญญาแทงตลอดธรรมธาตุนี้จึงเป็นเหตุให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตการผู้ไปรินิพพานแล้วแม้เหล่าเทวดาก็ได้บอกความข้อนี้แก่ตถาคตจึงเป็นเหตุให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตการผู้ไปรินิพพานแล้ว ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายต้องการจะฟังธรรมีกถาอันเกี่ยวกับปุคเพนิวาดนอกเหนือจากนี้อีกหรือไม่พวกภิกษุตอบว่าต้องการพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าพระประวัติของพระวิปัสสีพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลาย นักจักกลับนี้ถอยหลังไป91อกับพระวิปัสสีพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกมีพระชาติเป็นกษัตริย์ได้เสด็จอุบัติขึ้นในตระกูลกษัตริย์มีพระโคดว่าโกนธัญะมีพระชนมายุแปดหมื่นปีตรัสรู้ที่ควงต้นแครไฟลทรงมีคู่พระอัครส า, าวกเป็นคู่ที่เจริญได้แก่พระขันธะและพระติดสะมีการประชุมพระสาวกสามครั้ง ครั้งที่หนึ่งมีภิกษุ16800แรูปครั้งที่สองมีภิกษุหนึ่งแสรูปครั้งที่สามีภิกษุ8ปด0 0ื่รูปพระสาวกที่เข้าประชุมทั้งสามครั้งล้วนแต่เป็นพระขีณาสพผู้บรรลุธรรมหมดสิ้นอาสวะมีภิกษุอโศกะเป็นอุปปัฏฐากเป็นอัครอุปปัฏฐากมีพระเจ้าพันธุมาเป็นพระบิดา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 โพธิสัตย์หมายถึงผู้บำเพ็ญมรรคสีเพื่อบรรลุโพธิทรงมีสติสัมปชัญญะตลอดตั้งแต่จุดติจากสวรรค์ชั้นดุสิตจนถึงเสด็จลงสู่พระคันของพระมารดา 2. เวลาที่พระโพธิสัตว์จุดติจากสวรรค์ชั้นดุสิตเสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาแสงสว่างเจือจ้าหาประมาณไม่ได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกรมะโลก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 เหล่าสัตว์ที่เกิดในที่นั้นนั้นจึงรู้จักกันละกันว่ายังมีสัตว์อื่นเกิดในที่นี้เหมือนกันและสิบสหัสสีโลกธาตุในที่นี้เท่ากับหมื่นจักรวาลสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นทั้งแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณไม่ได้ก็ปรากฏขึ้นในโลกลวงเทวานุภาพของเหล่าเทพสา เวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาท้ามหาราชสีองค์คือเท้าทัตตรสจอมคนทันกรองทิศตะวันตกท้าวิรุณหกจอมกุมพันกรองทิศใต้ท้าวิรูปักจอมนาคกรองทิศตะวันตกท้าเวสว ร, รจอมยักษ์กรองทิศเหนือเท้ามหาราชสีองค์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 คือทานน้ำเย็นและทานน้ำอุ่นเพื่อชำระล้างพระโพธิสัตว์และพระมารดาสิบห้าเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้ครู่หนึ่งทรงยืนได้อย่างมั่นคงด้วยพระบาททั้งสองที่เสมอกันทรงผินพระพักไปทางทิศเหนือทรงดำเนินไปเจ็ดเก้าขณะที่หมู่เทวดากันสเสวตาชัดตามเสด็จทอดพระเนตรไปยังทิศต่างๆ แล้วทรงเปล่งพระอาสพิวาจาคือวาจาอย่างองอาจว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีก16เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระคันของพระมารดา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 ลักษณะมหาบุรุษ32ประการภิกษุทั้งหลายเมื่อพระวิปสัสสีราชกุมารประสูติแล้วพวกอมตะได้กราบทูลพระเจ้าพันธุมาว่าขอเดชะพระราชโอรสของพระองค์ประสูติแล้วโรดทอดพระเนตรเถิดพระเจ้าพันธุมาได้ทอดพระเนตรวิปสัสสีราชกุมารแล้วรับสั่งให้เชิญปรามโหราจารมาตรัสว่าปรามโหราจาร จงทำนาวิปัสสีราชกุมารพวกรามโหราจารถิญพระวิปัสสีราชกุมารแล้วได้กราบทูลพระเจ้าพันธุมาว่าขอเดชะโปรดพอพระทัยเถิดพระราชโอรสของพระองค์ที่เสด็จอุบัติขึ้นเป็นผู้มีสักยใหญ่นับว่าเป็นลาบอันประเสริฐของพระองค์ผู้ได้พระราชโอรสเช่นนี้อยู่ในราชตรกูลเพราะพระราชกุมารนี้ สมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการที่เป็นเหตุให้มหาบุรุษมีคติในที่นี้หมายถึงความสำเร็จหรือบรรลุผลตามจุดหมายมีคติสองอย่างไม่เป็นอย่างอื่นคือหนึ่งถ้าอยู่กรองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิผู้ทรงธรรมของราษดยธรรมทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสเป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะ มีพระราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการคือจากแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วขหบดีแก้วบรินายกแก้วมีพระราชโอรสมากกว่า 1,000 พันองค์ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีราชศัตรูได้พระองค์ทรงชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาชียาไม่ต้องใช้สัจา ครอบครองแผ่นดินนี้มีสาคอนเป็นขอบเขต 2. ถ้าเสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลกกิเลสในที่นี้หมายถึงราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสตัณหาที่ปิดกั้นกุศลธรรม ขอเดชะพระราชกุมานี้ทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการคือ 1. มีฝ่าพระบาทราบเสมอกัน 2. พื้นฝ่าพระบาททั้งสองของพระราชกุมานี้มีจักรซึ่งมีก ร, รมข้างละหนึ่งพซี่มีกงมีดุมและมีส่วนประกอบครบทุกอย่าง 3. มีส้นพระบาทยื่นยาวออกไป 4. มีพระองคุลียาว 5. มีพระหัตและพระบาทอ่อนนุ่ม 6. ฝ่าพระหัตและฝ่าพระบาทมีเส้นที่ข้อพระองคุลีจดกันเป็นรูปตะไคร์มีข้อพระบาทสูง 8. มีพระชงเรียวดุจแข้งเนื้อทายเเมื่อประทับยืนไม่ต้องน้อมพระองค์ลงก็ส่งลูกคลำถึงพระชานุด้วยฝ่าพระหัตทั้งสองได้ มีพระกุยหาฐถานเร้นอยู่ในฝัก 11. มีพระชวีสีทองมีพระชวีเปล่งปลังดุจทองคำา 12. มีพระชวีละเอียดจนละอองธุลีไม่อาจติดพระวรกายได้ 13. ม, มีพระโลมชาติเดียวคือนในแต่ละขุมมีเพียงเส้นเดียว 14. มีพระโลมชาติปลายงอนขึ้นคือพระโลมชาติ คอดเป็นวงเวียนขวาดังกุนทนสีครามเข้มดังดอกอัญชัน 15. มีพระวรกายตั้งตรงดุจกายพรม 16. มีพระมังสะในที่7แห่งเต็มบริบูรณ์ที่เจ็ดแห่งในที่นี้คือหลังพระหัตทั้งสองข้างหลังพระบาททั้งสองข้างพระอังส์ทั้งสองข้างและลำพระศอสิเจ็ มีพระวรากายทุกส่วนบริบูรณ์ดุจลำตัวท่อนหน้าของราชสี18มีร่องพระปริสดางเต็มเสมอกัน19มีพระวรากายเป็นปริมณฑลดุจปริมณฑลของต้นไทรพระวรากายสูงเท่ากับหนึ่งวาของพระองค์หนึ่งวาของพระองค์เท่ากับส่วนสูงพระวรากาย20มีลำพระสอกลมเท่ากันตลอด 21. มีเส้นประสาทรับรถพระกรยาหารได้ดี 22. มีพระหานุหยุดคางราชสียีสมีพระทนสี่สบี่มีพระทนเรียบเสมอกัน 25. สิหมีพระทนไม่ห่างกัน 26. มีพระเขียวแก้วขาวงาม 27. สมีพระชิวหาใหญ่ยาว 28. มีพระสุรเสียงดุดเสียงพรมตรัส ด, ดุดเสียงร้องของนกการะเวก 29. มีพระเนตรดำสนิท 30. มีดวงพระเนตรแจ่มใสดุดตาลูกโคพึ่งคลอด 31. มอมีพระอุณาโลมระหว่างพระขนงสีขาวอ่อนเหมือนปุยนุ่น 32. มมีพระเสียงดุดประดับด้วยกรอบพระพัก ขอเดชะพระราชกุมานี้ทรงสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะมหาบุรุษส2ประการนี้ที่เป็นเหตุให้มหาบุรุษมีคติสองอย่างไม่เป็นอย่างอื่นคือถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมถ้าเสด็จออกผนวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหตุที่ทรงได้พระสมยาววิปัสสี ต่อมาพระเจ้าพันธุมาโปรดให้พวกรามหัวราชาหนุ่งห่มผ้าใหม่ส่งเลี้ยงดูให้อิ่มนำด้วยสิ่งที่ต้องการทุกอย่างแล้วรับสั่งให้ตั้งพี่เลี้ยงนางนมแกพระวิปัสสีราชกุมารคือหญิงพวกหนึ่งให้พระราชกุมารสวยน้ำนมพวกหนึ่งให้ทรงสนานพวกหนึ่งคอยอภิบาลพวกหนึ่งคอยอุ้มตั้งแต่ประสูตรพระวิปัสสีราชกุมารพวกราชบุรุษ ก็คอยกั้นสเสวกระชัดถวายทั้งกลางวันและกลางคืนตั้งใจว่าความหนาวความร้อนยญาละอองหรือน้ำค้างอย่าได้เบียดเบียนพระราชกุมารตั้งแต่ประสูตรพระวิปัสสิราชกุมารก็ทรงกลายเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของชนเป็นอันมากทรงเป็นผู้มีพระสุรเสียงดุจเสียงพรมไพเราะอ่อนหวานกลมกล่อ ม, ม, มจับใจ ทรงมีทิพยยจักสุอันเกิดจากวิบากกรรมที่เป็นเหตุให้มองเห็นไกลได้ตลอดหนึ่งโยต์โดยรอบทั้งกลางวันและกลางคืนทรงเพลงดูไม่กับพริบ ป, ประเนรพวกเทวดาชั้นดาวดึงและดูไม่กับพริบตาฉันใดพระวิปัสสีราชกุมารทรงเพลงดูไม่กับพริบ ป, ประเนรฉันนั้นเหมือนกันจึงเกิดมีพระสมยาว่าวิปัสสี ต่อมาพระเจ้าพันธุมาประทับในศาลตัดสินคดีทรงให้พระวิปัสสีราชกุมารประทับบนพระเพลาขณะทรงพิจารณาคดีทรงวินิจฉัยให้คดีดําเนินไปด้วยพระยานเพราะคําเล่าลือว่าพระราชกุมารวินิจฉัยให้คดีดําเนินไปด้วยพระยานมีปริมาณมากขึ้นจึงเกิดมีพระสมยาว่าวิปัสสี ต่อมาพระเจ้าพันธุมาโปรดให้สร้างปราสาทสามหลังสำหรับพระวิปัสสีราชกุมารสำหรับประทับในฤดูฝนในฤดูหนาวในฤดูร้อนโปรดให้บำรุงพระราชกุมารด้วยกามาคุณหพระวิปัสสีราชกุมารทรงได้รับการบำรุงบำเรอด้วยดนตรีที่แม่ปะปนด้วยบุรุษในปราสาทสำหรับประทับในฤดูฝนไม่ได้เสด็จลงมาชั้นล่างปราสาทตลอดสเดือน เทวทูตสีภิกษุทั้งหลายเมื่อเวลาล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลา ย, ย, ลายพันปีพระวิปัสสีราชกุมารรับสั่งเรียกนายสารถีมาตรัสว่าเธอจงเทียมยานพาหนะคันงามๆราจะไปอุทยานชมภูมิประเทศที่สวยงามขณะที่เสด็จประพาสอุทยานพระวิปัสสีราชกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นชายชราผู้มีสิโครงคดเหมือนกรอนประตูหลังงองุ้ม เดินถึงไม้เท้างอโงกเงื่อๆกระสับกระสายหมดความหนุ่มแน่นจึงปรัสถามนายสารถีว่าชายคนนี้ถูกใครทําอะไรให้เส้นผมและร่างกายของเขาจึงไม่เหมือนของคนอื่นนายสารถีทูลตอบว่าขอเดชะผู้นี้ชื่อว่าคนชราทําไมเขาจึงชื่อว่ากนชราผู้นี้ชื่อว่าคนชรา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 ราชกุมารยินดีในอุทยานพอใจในอุทยานหรือไม่นายสารถีทูลตอบตามความจริงว่าพระราชกุมารไม่ทรงยินดีไม่ทรงพอพระทัยในพระอุทยานเพราะได้เห็นคนชราจึงทรงมีทุกข์มีพระทัยไม่ยินดีต่อมาพระเจ้าพันทุมาทรงพระดำริว่าขออย่าให้วิปัสสีกุมารไม่ยอมครองราชเลย อย่าได้ออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเลยคำทำนายของพระามโหราจารย์อย่าได้เป็นจริงเลยจึงรับสั่งให้บำบุงบำเรอพระวิปัสสิราชกุมารด้วยการมาคุณห้ามากขึ้นกว่าเดิมเพื่อว่าพระวิปัสสิราชกุมารจะอยู่ครองราชจะไม่เสด็จออกจากพระราชวางังผนวดเป็นบรรพชิตและคำทันายของพระรามโหราจารย์จะผิดพลาด พระวิปัสสราชกุมารทรงเอิ้ออิ่มพรั่งพร้อมได้รับการบำเรออยู่ด้วยการมคุณห้าในพระราชฐานนั้นเมื่อเวลาล่วงไปอีกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระวิปัสสราชกุมารรับสั่งเรียกนายสารธีมาตรัสว่าเธอจงเทียมยานพาหนะคันงามๆเราจะไปอุทยานชมภูมิประเทศที่สวยงามเมื่อเสด็จประพาสอุทยานอีก ราวิปสัสสราชกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บคนทุกข์ป่วยหนักนอนทุรนทุรายจมกองอุจจราระปัสสาวะของตนคนอื่นต้องช่วยกันพยุงให้กินอาหารจึงตรัสทานในสารถีว่าสหายสารถีชายคนนี้ถูกใครทำอะไรให้ในตาทั้งคู่และศีรษะของเขาจึงไม่เหมือนของคนอื่นๆในสารถีทูลตอบว่าขอเดชะ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 เธอจงขับรถกลับเข้าเมืองเถิดพระวิปัสสีราชกุมารเสด็จถึงพระราชฐานชั้นในทรงมีทุกมีพระไทยไม่ยินดีทรงพระดาริว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดช่างน่ารังเกียจนักเพราะเมื่อมีความเกิดก็มีความแก่ความเจ็บต่อมาพระเจ้าพันธุมารับสั่งให้เรียกนายสารถีมาแล้วตรัสถามว่าราชกุมารยินดีในอุทยาน พอใจในอุทยานหรือไม่นายสารกีทูลตอบตามความจริงว่าทรงไม่ยินดีทรงไม่พอพระไทยในพระราชอุทยานเพราะได้เห็นคนเจ็บจึงทรงมีทุกข์มีพระไทยไม่ยินดีต่อมาพระเจ้าพันธุมาทรงรับสั่งให้บำรุงบำเรอพระวิปัสสีราชกุมารด้วยกามาคุณห้ามากขึ้นกว่าเดิมเพื่อว่าพระวิปัสสีราชกุมารจะอยู่ครองราช จะไม่เสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบรรพชิตพระราชกุ ม, มาทรงเอิบอิ่มร่างพร้อมได้รับการบำเรออยู่ด้วยกรรมคุณห้าในพระราชฐานนั้นเมื่อเวลาล่วงไปหลายปีพระวิปัสสราชกุ ม, มารรับสั่งเรียกนายสารถีมาตรัสว่าสหายสารถีเธอจงเทียมยานพาหนะคัน ง, งามๆเราจะไปอุทยานชมภูมิประเทศที่สวยงาม เมื่อพระวิปสัสสีราชกุมารเสด็จประพาสอุทยานอีกได้ทอดพระเนตรเห็นหมู่ชนประชุมกันและกำลังประดับคานหามด้วยผ้าหลากสีจึงตรัสถามในสารถีว่าสหายสารถีหมู่ชนประชุมกันและประดับคานหามด้วยผ้าหลากสีไว้ทำไมนายนสารถีทูลตอบว่าขอเดชะผู้นี้ชื่อว่าคนตาย พระวิปัสสีราชกุมารรับสั่งว่าสหายสารธีถ้าเช่นนั้นเธอจงขับรถไปทางคนตายนั้นเมื่อส่งทอดพระเนคนตายจึงตนน ร, รัสถามนายสารธีว่าทำไมเขาจึงชื่อว่าคนตายนายสารธีทูลตอบว่าผู้นี้ชื่อว่าคนตายเพราะเวลานี้มารดาบิดาหรือญาติสาโลหิตอื่นๆจะไม่ได้พบเห็นเขาอีกตัวเขา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 ราชกุมารยินดีในอุทยานพอใจในอุทยานหรือไม่นายสารธีทูลตอบตามความจริงว่าทรงไม่ยินดีทรงไม่พอพระไทยเพราะได้เห็นคนตายจึงทรงมีทุกข์มีพระไทยไม่ยินดีต่อมาพระเจ้าพันธุมาทรงรับสั่งให้บำรุงบำเรอพระวิปัสสีราชกุมารด้วยการมาคุณห้ามากขึ้นกว่าเดิมเพื่อว่าพระวิปัสสีราชกุมารจะอยู่ครองราช จะไม่เสด็จออกผนวดเป็นบรรพชิตและคันทำนายของพรหมโหราจาร์จะผิดพลาดพระวิปัสสีราชกุมารทรงเอื้ออิ่มพร่างพร้อมได้รับการบำเรอรอยู่ด้วยการมังคุณห้าในพระราชาฐานั้นเมื่อเวลาล่วงไปอีกหลายปีพระวิปัสสีราชกุมารรับสั่งเรียกนายสารถีมาตรัสว่าสหายสารถีเธอจงเทียมยานพาหนะขันงามๆเราจะไปชมอุทยาน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 ถ้าเช่นนั้นเธอจงขับรถไปทางบรรพชิตนั้นครั้นแล้วพระราชกุมารได้ตรัสถามบรรพชิตว่าสหายท่านทําอะไรศีรษะและเครื่องนุ่งห่มของท่านจึงไม่เหมือนของคนอื่นๆบรรพชิตนั้นทูลตอบว่าขอถวายพระพรอาตมาชื่อว่าบรรพชิตท่านชื่อว่าบรรพชิตหรือขอถวายพระพรอาตมาชื่อว่าบรรพชิต พราะการประพฤติธรรมเป็นความดีการประพฤติสม่ำเสมอการทำกุศลการทำบุญการไม่เบียดเบียนการอนุเคราะห์มูสัตว์เป็นความดีภิกษุนทั้งหลายลำดับนั้นพระวิปัสสีราชกุมารรับสั่งเรียกนายสารถีมาตรัสว่าสหายสารถีถ้าเช่นนั้นเธอจงนำรถกลับเข้าเมืองรอจักโคนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพั์ ออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตในอุทยานนี้ในสาวรถีทุนรับพระบัญชาแล้วขับราชรถกลับเข้าเมืองทันทีส่วนพระวิปัสสีราชกุมารทรงปรงพระเกศาและพระมสัสุทรงครองผ้ากาสาวพั์เสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบรรพชิตที่อุทยานนั้นนั่นเอง มหาชนในกรุงพันธุมดีประมาณแปด0มสี่พันคนสำหรับเรื่องจำนวนในพระไตรปิฎกขอท่านผู้ฟังโปรดทราบนะครับว่าส่วนใหญ่เป็นจำนวนที่หมายถึงมากประมาณเท่าใดนั้นอาจไม่ใช่เป็นจำนวนนั้นจริงๆมหาชนได้ทราบข่าวว่าพระวิปัสสีราชกุมารทรงปลงพระเกษาและพระมัสสุทรงครองภากาสาวัส์เสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบนรรพชิตจึงคิดว่า พระธรรมวินัยและการบรรพชาที่พระวิปัสสิราชกุมารได้ปรงพระเกศาละพระมสุกทรงครองภาคกาสาวพัดเสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบรรพชิตนั้นคงจะไม่ต่าสามคนระดับพระวิปัสสีราชกุมารยังทรงปลงพระเกศาละพระมสุกเสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบรรพชิตได้ทําไมพวกเราจักบวชบ้างไม่ได้เล่า มหาชนได้พากันควนผมและหนวดนุ่งหมภากาสวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตตามเสด็จพระวิปัสสีโพธิสัตว์พระวิปัสสีโพธิสัตว์ทรงมีบริษัทแวดล้อมเสด็จจาริกไปในหมู่บ้านนิคมชนบทหรือแคว้นและราชธานีทั้งหลายต่อมาพระวิปัสสีโพธิสัตว์ประทับหลีกเร้นอยู่ในที่สงัด ทรงมีพระรำพึงอย่างนี้ว่าการที่เราอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะอย่างนี้หาเป็นการสมควรไม่ทางที่ดีเราควรหลีกออกจากหมู่อยู่เพียงลำพังต่อมาพระวิปัสสีโพธิสัตว์เสด็จหลีกออกจากหมู่ประทับอยู่ผู้เดียวบันพชิต 8.40 สี่พันรูปได้แยกไปทางหนึ่งพระวิปัสสีโพธิสัตว์ก็เสด็จไปอีกทางหนึ่ง ต่อมาพระวิปัสสีโพธิสัตว์ประทับหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดทรงมีพระรำพึงอย่างนี้ว่าสัตว์โลกนี้ถึงความคับแค้นจึงเกิดแก่ตายจุติและอุบัติก็บุคคลผู้ไม่รู้อุบายสลัดออกจากทุกข์คือชราความแก่มรณะความตายเมื่อไรจึงจะพ้นจากทุกข์หรือชร า, ามรณะนี้ได้จากนั้นทรงพระดำริว่า เมื่ออะไรมีชราโมรณะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยชราโมรณะจึงมีเพราะทรงน้มัสิการโดยแยกคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อชาติหรือความเกิดมีชราโมรณะจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชราโมรณะจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีชาติจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะทรงมณสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อพบคือความมีความเป็นมีชาติจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาตจึงมีเมื่ออุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นมีพบจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมี เมื่อตัณหาคือความอยากมีอุปาทานจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเมื่อเวทนาคือความรู้สึกมีตัณหาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเมื่อผัสสะคือสัมผัสมีเวทนาจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมี เมื่อสลายตนะคืออายตนะหกมีผัสสะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเมื่อนามรูปคือนามธรรมและรูปธรรมมีสลายตนะจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเมื่อวิญญาณคือความรู้แจ้งอารมณ์มีนามรูปจึงมี เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเมื่อนามรูปมีวิญญาณจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีจากนั้นทรงพระดําริว่าวิญญาณนี้ย่อหมุนกลับมาจากนามรูปเท่านั้นไม่เลยไปกว่า น, นั้นเพราะความหมุนกลับเพียงแค่นี้สัตว์โลกจึงเกิดบ้างแก่บ้างตายบ้างจุติบ้าง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 อุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกะคือความโศกริเทวะความครื่องครวญทุกข์ความทุกกายโทมนัสความทุกใจและอุปายาตความแค้นใจจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการชนนี้ภิกษุทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระโพธิสัตว์ในธรรมะทั้งหลายที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าสมุ ท, ทยัยคือความเกิดจากนั้นทรงพระดําริว่า เมื่ออะไรไม่มีชรามรณะจึงไม่มีเพราะอะไรดับชรามรณะจึงดับเพราะทรงมณสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจง้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อชาติไม่มีชรามรณะจึงไม่มีเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับเมื่อภพไม่มีชาติจึงไม่มีเพราะภพดับดชาติจึงดับเมื่ออุปาทานไม่มีภพจึงไม่มี เพราะอุปาทานดับพบจึงดับเมื่อตัณหาไม่มีอุปาทานจึงไม่มีเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเมื่อเวทนาไม่มีตัณหาจึงไม่มีเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเมื่อสลายตนะไม่มีผัสสะจึงไม่มีเพราะสลายตนะดับ ผัสสะจึงดับเมื่อนามรูปไม่มีสลายตนะจึงไม่มีเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเมื่อนามรูปไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่า ทางเพื่อความตรัสรู้เราได้บรรลุแล้วความดับแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้ภิกษุทั้งหลายจักสุขเกิดขึ้นแล้วหยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ในธรรมะทั้งหลายที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่านิโรธคือความดับ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 สังขารเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารความดับแห่งสังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้เมื่อส่งพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปทานคารหอยู่ไม่นานนักจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเราะไม่ถือมั่น เท้ามหาพรหมทูลอาราธนาให้ทรงแสดงธรรมภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นระวิปัสสีพุทธเจ้ามีพระรำพึงดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรแสดงธรรมแต่ทรงพระดำริว่าธรรมะที่เราบรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตไม่ใช่วิสัยตักกะละเอียด บันเด็จจึงจะรู้ได้ก็แลหมูประชานี้เป็นผู้เรื่นรมในอาไลอาายในที่นี้คือกรรมคุณห้าที่สัตว์พวพันยินดีเพลิดเพลินเป็นผู้เรื่นรมในอาไลยินดีในอาไลเพลิดเพลินในอาไลสำหรับหมูประชาผู้เรื่นรมในอาไลยินดีในอาไลเพลิดเพลินในอาไลฐานะอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือ หลักอิทัปปัจจะตาความที่สิ่งนี้อาศัยสิ่งนี้เกิดขึ้นหลักปฏิจจสมุปบาทหมายถึงสภาวะธรรมที่เป็นปัจจัยและสภาวะธรรมที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นสําหรับคํานี้อ่านตามบาลีจริงต้องอ่านว่าหลักปฏิจจสมุปบาทนะครับแต่หลายท่านรวมถึงผมด้วยก็ได้อาจเสียงและอ่านเป็นหลักปฏิจจสมุปบาทมานานจึงต้องขออภัยไว้ณที่นี้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 อันหนึ่งเล่าอานัตชริยคคถาเหล่านี้หมายถึงคาถาอานาอัศจรรย์เหล่านี้ที่ไม่ทรงสดับมาก่อนได้ปรากฏแจ่มแจ้งแก่พระวิปัสสิพุทธเจ้าว่าบัดนี้เรายังไม่ควรประกาศธรรมที่เราได้บรรลุด้วยความลำบากเพราะธรรมะนี้ไม่ใช่ธรรมะที่ผู้ถูกราคะและโทสะครอบงำจะรู้ได้ง่ายแต่เป็นธรรมะพาทวนกระแสละเอียดลึกซึ้ง รู้เห็นได้ยากประณีตผู้กำนัดด้วยราคะถูกกองโมหะพุ่มห่อไว้จะรู้เห็นไม่ได้เมื่อทรงพิจารณาดังนี้พระไทยก็น้อมไปเพื่อจะประทับอยู่เฉยมิได้น้อมไปเพื่อจะทรงแสดงธรรมครั้งนั้นเท้ามาหาพรหมองค์หนึ่งกำหนดรู้พระรมพึงของพระวิปัสสีพุทธเจ้าด้วยใจจึงคิดว่า ท่านผู้เจริญโลกจะชิบหายหนอโลกจะพินาศหนอเราะพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงน้อมพระไทยไปเพื่อจะประทับอยู่เฉยมีได้น้อมพระไทยไปเพื่อจะทรงแสดงธรรมจึงได้หายตัวไปจากพรหมโลกมาปรากฏเฉพาะพระพักของพระวิปัสสีพุทธเจ้าแล้วห่มผ้าเวียงบาคุกเข่าเบื้องขวาลงบนแผ่นดินประนมมือไปทางพระวิปัสสีพุทธเจ้าแล้วได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์พูดเจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมเถิดในโลกนี้ยังมีเหล่าสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาเบาบางหมายถึงผู้มีทุลีคือราคะโทสะโมหะเพียงเล็กน้อยสัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรมเหล่าสัตว์ผู้ที่อาจจะรู้ทั่วถึงธรรมได้ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าข่า เมื่อเท้ามหาพรหมกราบทูลอรารัธนาอย่างนี้พระวิปสัสสพุทธเจ้าจึงได้ตรัสกับเท้ามหาพรหมดังนี้ว่ารมแม้เราเองก็มีความดำริว่าทางที่ดีเราควรแสดงธรรมแต่ก็มาคิดว่าธรรมที่เราบรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากเมื่อเราพิจารณาดังนี้ใจก็น้อมไปเพื่อจะอยู่เฉยมีได้น้อมไปเพื่อจะแสดงธรรม ท้ามหาพรหมกราบทูลพระวิปัสสีพุทธเจ้าอาราธนาให้ทรงโปรดแสดงธรรมอีกเป็นครั้งที่สองและกราบทูลอีกเป็นครั้งที่สมครั้งนั้นพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงทราบคำอาราธนาของเท้ามหาพรหมและทรงอาศัยพระกรุณาในหมูสัตว์ได้ทรงตรวจดูโลกด้วยพระพุทธจักสุข้อนี้หมายถึงอินทริยปรโรปริยติยาน คือปรีชาอย่างรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายคือรู้ว่าสัตว์นั้นๆมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแค่ไหนเพียงใดมีกิเลสมากกิเลสน้อยมีความพร้อมที่จะตรัสรู้หรือไม่เมื่อทรงตรวจโลกด้วยพระพุทธจักสุได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาเบาบางมีทุลีในดวงตามาก ผู้มีอินทรีย์แก่กล้าข้อนี้หมายถึงอินทรีย์ห้าบริบูรณ์ได้แก่ศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกได้สมาธิความตั้งจิตมั่นปัญญาความรู้ทั่วได้ทรงเห็นสัตว์ผู้มีอินทรีย์แก่กล้าผู้มีอินทรีย์อ่อนผู้มีอาการดีหมายถึงมีความโน้มเอียงไปในทางดีผู้มีอาการซาม สอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากควรสั่งสอนไม่ควรสั่งสอนบางพวกมักเห็นปรโลกและโทษว่าน่ากลัวบางพวกไม่เห็นปรโลกและโทษว่าน่ากลัวในกอดอกบัวบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ใต้น้ำและน้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำ อยู่เสมอน้ําดอกบัวบางดอกที่เกิดในน้ําเจริญในน้ําอยู่พ้นน้ําไม่แตะน้ําชั้นใดพระวิปัสสีพุทธเจ้าได้ทรงตรวจดูโลกด้วยพระพุทธจักสุครั้นทรงตรวจโลกด้วยพระพุทธจักสุได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาเบาบางผู้มีทุลีในดวงตามากผู้มีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อน มีอาการดีมีอาการสามสอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากควรสั่งสอนไม่ควรสั่งสอนครั้งนั้นท้ามหาพรหมทราบ พ, พระรำพึงของพระวิปัสสีพุทธเจ้าด้วยใจจึงได้กราบทูลด้วยคาถาทั้งหลายว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีพระปัญญาดีมีพระสมันตจักขุหมายถึงพระสัพพัญยุตยานคือปรีชายอย่างรู้สิ่งทั้งปวง ทั้งที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตบุรุษผู้ยืนบนยอดภูเขาศิลาล้วนพึงเห็นหมู่ชนได้โดยรอบแม้ฉันใดพระองค์ผู้หมดความโศกแล้วโปรดเสด็จขึ้นสู่ปราสาทคือธรรมธรรมหรือธรรมะในที่นี้หมายถึงปัญญาหรือโลกุตระธรรมจักได้เห็นหมู่ชนผู้ตกอยู่ในความเศร้าโศกและถูกชาติชราครอบงำได้ชัดเจนฉันนั้น ข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรผู้ชนะสงครามหมายถึงชนะเทวปุตตมานมานคือเทพบุตรมัจจุมานมานคือความตายและกิเล ส, สมานมานคือกิเลสผู้นำหมู่หมายถึงสามารถนำเวง น, นยศัตว์ข้ามทางกันดารคือชาติเป็นต้นได้ผู้ไม่มีหนี้ในที่นี้หมายถึงการมัชันทะความพอใจในการ ขอพระองค์โปรดลุกขึ้นเสด็จจาริกไปในโลกข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดแสดงธรรมเถิดเพราะผู้รู้ทั่วถึงธรรมได้ยังมีอยู่เมื่อเท้ามหาพรหมกราบทูลอย่างนี้พระวิปัสสิพุทธเจ้าได้ตรัสกับเท้ามหาพรหมนั้นด้วยพระคาถาว่าสัตว์ทั้งหลายเราใดจะฟังจงปล่อยศรัทธามาเถิดเราได้เปิดประตูแห่งอมตะ หมายถึงอริยมรรคที่เป็นทางแห่งอมตะคือพระนิพพานเราได้เปิดประตูแห่งอมตะแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วขณะนั้นท้าวมหาพรมได้ทราบว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าได้ทรงประธานโอกาสเพื่อจะทรงแสดงธรรมแล้วจึงถวายอภิวาสกระทัประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นเอง คู่พระอัคารสาวกภิกษุทั้งหลายต่อมาพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงพระดำริว่าเราจะพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนใครจะรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันแล้วทรงพระดำริต่อไปว่าพระราชโอรสพระนามวัคขันทะและบุตรปุโรหิตชื่อติสสะอาศัยอยู่ในกรุงพันธุมดีราชธานีเป็นคนเฉลียวฉลาดหลักแหลมมีทุลีในดวงตาเบาบางมานานทางที่ดี เราเพิ่งแสดงธรรมแก่เธอทั้งสองก่อนเธอทั้งสองจะรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงหายไปจากคควงต้นโพมาปรากฏที่เขตมลึกทไยวันในกรุงพันธุมดีราชธานีได้รับสั่งเรียกคนเฝ้าสวนมาตรัสว่าเธอจงเข้าไปยังกรุงพันธุมดีราชธานีบอกราชโอรสพระนามว่าขันทะลาบุตรโรหิตชื่อติสะว่า พระวิปัสสิพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงพันธุมดีราชธานีประทับอยู่ที่เขตมลึกกัทยวันมีพระประสงค์จะพบท่านทั้งสองในทายบาลทูลรับสนองพระดำรัสแล้วทำตามพระราชโอรสพระนามวัคขันทะและบุตรปุโรหิตชื่อติสสะเดินทางไปพบพระวิปัสสิพุทธเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาสแลวนั่งณที่สงควร พระวิปัสสีพุทธเจ้าตรัสอนุปุพภิกขาแก่พระราชโอรสพระนามวคขันทะและบุตรปุโรหิตชื่อติสสะเหล่านั้นคือทรงประกาศ 1. ทฐานกถาเรื่องทานสศีลกถาเรื่องศีล 3. สักขกถาเรื่องสวรรค์ 4. กามทีนวกถาเรื่องโทษความต่ำซาม ความเศร้ามองแห่งการหา้เนคข ม, มานิสังสักถาเรื่องอานิสงแห่งการออกจากกามเมื่อทรงทราบว่าพระราชโอรสพระนามวัคขันทะละบุตรปูโรหิตชื่อติสะมีจิตควรบรรลุธรรมอ่ อ, อนปราศจานิวรณเบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุ ก, กังสิกธรรมเทศนาคือทุกขสมุทยัยนิโรธมัก ธรรมจักสุปราศจากธุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแก่พระราชโอรสพระนามว่คขันทะและบุตรโปรโหิตเชื่อติสสะณนะอาสนะนั้นแลวว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมนทินควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดี พระราชโอรสพระนามว่าขันทะและบุตรปุโรหิตชื่อปิติสะเห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้ธรรมแล้วยังลงสู่ธรรมแล้วหมดความสงสัยแล้วปราศจากความแคลงใจถึงความเป็นผู้กล้ากล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระาศาสดาประกาศตนเป็นอุบาสกและทูลขอบรรพชาอุปสมบทในสานักของพระผู้มีพระภาค เมื่อได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระวิปัสสีพุทธเจ้าพระองค์ทรงชี้แจงให้ภิกษุเหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหานแกล้ากล้าหลอบฉโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วทรงประกาศโทษความต่ำซา ม, ามความเศร้าหมองของสังขารและอ น, นิสงในนิพพานจิตของพระราชโอรสพระนามว่าขันทะละบุร oh ตรโุโรหิตชื่อติสะไม่นานนัก ก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นสำเร็จเป็นพระอรหันต์มหาชนในกรุงพันธุมดีราชธานีประมาณ 84,000 พันคนได้ทราบข่าวว่าพระราชโอรสพระนามวัคขันทะและบุตรปุโรหิตชื่อติสสะออกจากพระราชวังและเรือนบวชเป็นบรรพชิตในสำนักพระวิปัสสีพุทธเจ้าจึงชักชวนไปเฝ้าพระวิปัสสีพุทธเจ้าถึงที่ประทับ พระวิปัสสีพุทธเจ้าตรัสอนุปุกภิกขถาแก่ชนเหล่านั้นทรงประกาศสามุ ก, กังสิกะธรรมเทศนาคือทุกสมุทัยนิโรธมักธรรมาจากสุขอนปราศจากทุลีปราศจากบุญทินได้เกิดขึ้นแก่ชนเหล่านั้นชนเหล่านั้นเห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้ธรรมแล้วอย่างลงสู่ธรรมแล้วหมดความสงสัยแล้ว ได้กราบทูลสันเสริญภาสิทธประกาศตนเป็นอุบาสกและทูลขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคไม่นานนักก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นสำเร็จเป็นพระอรหันต์แม้เหล่าชนผู้ออกบรรพชาตามพระวิปัสสีพุทธเจ้าในครั้งแรกก่อนพระองค์จะตรัสรู้นั้นภายหลังก็ได้เข้าเฝ้ารับฟังพระธรรมเทศนา จนบรรลุธรรมเช่นเดียวกันภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นมีภิกษุอยู่ประมาณ 168,000 รูปในกรุงพันธุมดีราชธานีครั้งนั้นแหละพระวิปัสสีพุทธเจ้าประทับหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้มีพระรำพึงอย่างนี้ว่าเวลานี้ในกรุงพันธุมดี มีภิกษุสงอยู่จํานวนมากถึง 168,00 แรูปทางที่ดีเราควรประกาศให้ภิกษุทั้งหลายรู้ทั่วกันว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่อย่าไปทางเดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในถ่ำกลางและมีความงามในที่สุดจงประกาศโรมจาจารพร้อมทั้งอัตถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนในโลกนี้ยังมีเหล่าสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาเบาบางสัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรมเหล่าสัตว์ผู้ที่อาจจะรู้ทั่วถึงธรรมได้ยังมีอยู่แต่เมื่อเวลาล่วงไปถุกๆูกหกปีเธอทั้งหลาย ควรกลับมายัางกรุงพันธุมดีราชธานีเพื่อแสดงปาติโมก ค, ครั้งนั้นเท้ามหาพรหมองค์หนึ่งทรงซาพระราพึงของพระวิปัสสิพุทธเจ้าด้วยใจได้หายตัวไปจากพรหมโลกมาปรากฏเฉพาะพระพักของพระวิปัสสิพุทธเจ้าเท้ามหาพรหมนั้นได้กราบทูลอารัธนาดังข้อความเหมือนที่พระวิปัสสิพุทธเจ้าได้ทรงรําพึงถึง เมื่อเท้ามหาพรหมกราบทูลอย่างนี้แล้วจึงถวายอภิวาทพระวิปัสสีพุทธเจ้ากระทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นเองหมายเหตุผู้อ่านข้อ น, นี้เป็นจุดสังเกตนะครับว่าจะต้องมีการอาราธนานิมนต์เชื้อเชิญก่อนพระพุทธองค์จึงทรงจะประกาศธรรมแสดงธรรมเหมือนความตอนพึ่งตรัสรู้นะครับครูบาอาจารย์อธิบายว่า มีหรือที่พระพุทธเจ้าจะไม่ทรงทราบเพราะเป็นสัพพันย์อยู่ทรงรู้แจ้งทุกเรื่องในสามโลกแต่เป็นธรรมเนียมที่ควรจะมีการอารัธนากรจึงจะโปรดแสดงธรรมได้ถ้าวมหาพรหมผู้มีฤทธิ์ทราบเรื่องนี้ดีจึงมากราบทูลอารัธนาให้โปรดแสดงธรรมและส่งสาวกไปประกาศเผยแผ่ธรรมข้อนี้จึงฝากไว้พิจารณานะครับ ครั้นในเวลาเย็นพระวิปสัสสพุทธเจ้าเสด็จออกจากที่หลีกเร้นรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสสัง่งให้พระสาวกไปประกาศ ธ, ธรรมเผยแผ่ธรรมตามที่ทรงรมพึงและเท้ามหาพรหมได้กราบทูลอารัธนาพระองค์ไว้สมัยนั้นในชมพูทวีปมีอาวาาอยู่8 4 0 0 0พันแห่งเมื่อเวลาล่วงไปทุกปีจนถึง6ปี เหล่าเทวดาได้คอยมาเตือนทุกปีว่าเหลือเวลาอีกอกี่ปีที่ควรกลับไปยังกรุงพันธุมดีราชธานีเพื่อแสดงปาติโมกเมื่อเวลาล่วงมาถึง6ปีแล้วครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นบางพวกเดินทางไปด้วยฤทธิ์ด้วยอนุภาพของตนบางพวกเดินทางไปด้วยฤทธิ์ด้วยอนุภาพของเทวดาเพียงวันเดียวเท่านั้นพากันเข้าไปยังกรุงพันธุมดีราชธานี เพื่อแสดงปาติโมกทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกปาติโมคในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอาณาปาติโมกหรือประมวลพุทธบัญญัติที่ทรงตั้งขึ้นเป็นพุทธอานาได้แก่อาธิปรมจริยศสิกขาที่มีพระพุทธนุ ญ, ญาตให้สวดในที่ประชุมทรงทุกกึึงเดือน แตหมายถึงโอวาทาปฏติโมกซึ่งประกอบด้วยคถาสามคาถามีขันตีประมังตะโปตีติขาเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงสแสดงเองทีกสุทั้งหลายพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงสแสดงปาติโมกในที่ประชุมสง์ที่กรุงพันธุมดีราชธานีนั้นดังนี้ความอดทน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 การไม่กล่าวร้ายผู้อื่นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นความสำรวมในปาติโมกความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารการอยู่ในเสนาสนะที่สงัดการประกอบความเพียรในอธิจิตนี้คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคำกราบทูลของเทวดาภิกษุน์ทั้งหลายสมัยหนึ่ง เราอยู่ที่ข่วงต้นราชสาระป่าสุ พ, พัวันกรุงอุ ก, กัถะขณะที่เรานั้นหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้มีความราพึงอย่างนี้ว่าเทวโลกชั้นสุดทาวาสที่เราไม่เคยอยู่มาเลยตลอดกาลนานนี้ไม่ใช่ใครๆจะเข้าถึงได้โดยง่ายยกเว้นเหล่าเทพชั้นสุดทาวาสทางที่ดีเราควรไปหาเหล่าเทพชั้นสุดทาวาส จึงได้หายไปจากขวงต้นราชสาระนั้นไปปรากฏในเหล่าเทพชั้นอวิหายัางรวดเร็วในหมู่เทพนั้นมีเทวดามากมายจำนวนหลายร้อยหลายพันเข้ามาหาเราอภิวาแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกุปนับจักกับนี้ถอยหลังไปเกบอดกัปพระวิปัสสีพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกมีพระชาติเป็นกษัตริย์ ได้อุบัติขึ้นในประกูลกษัตริย์มีพระโคตวโกนทั ญ, ญะมีพระชนมายุแปด0มืนปีตรัสรู้ที่ขวงต้นแคฝอฟทรงมีคู่พระอ克รส า, าวกเป็นคู่ที่เจริญได้แก่พระคันธะและพระติษสะมีการประชุมสาวกสามครั้งครั้งที่หนึ่งมีภิกษุ1 6 8 0 0 0รูปครั้งที่สองมีภิกษุหนึ่ง0รูปครั้งที่สามีภิกษุ 80,000 รูป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 การแสดงธรรมจักรของพระองค์เป็นอย่างนี้พวกข้าพระองค์ประพฤติพรหมจาร์นในพระวิปัสสีพุทธเจ้าคลายความกำหนัดยินดีในกามจึงได้มาเกิดในที่นี้ในหมู่เทพนั้นมีเทวดามากมายจำนวนหลายร้อยหลายพันเข้ามาหาเราถึงที่อยู่อภิวาสแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรุตุ นับจากกับนี้ถอยหลังไป31อดกับพระสิกขีพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกพวกข้าพระองค์ประพฤฒิพระมจรจันในพระสิกขีพุทธเจ้าคลายความกำหนัดยินดีในกามจึงได้มาเกิดในที่นี้ในกับที่3ามสินั่นเองพระเวสสภูพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกพวกข้าพระองค์ประพฤฒิพระมจรจันในพระเวสสภูพุทธเจ้าคลายความกำหนัดยินดีในกาม จึงได้มาเกิดในที่นี้ในพัทรกับนี้เองพกกระกัุสันธุทธเจ้าพระโกนาคมณะพุทธเจ้าพระกัสสปะพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกพวกข้าพระองค์ประพฤติรมจันทร์ในพระกกุสันธุทธเจ้าพระโกนาคมณะพุทธเจ้าพระกัสสปะพุทธเจ้าคลายความกำหนัดยินดีนในกามจึงได้มาเกิดในที่นี้ ในหมู่เทพนั้นมีเทวดามากมายจํานวนหลายร้อยหลายพันเข้ามาหาเราถึงที่อยู่อภิวาสแล้วยืนอยู่นาที่สมควรได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ในพัทระกัปนี้เองบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกมีพระชาติเป็นกษัตริย์ได้เสด็จอุบัติขึ้นในตระกูลกษัตริย์มีพระโคดว่าโคตมะ มีพระชนมายุเพียงเล็กน้อยผู้ที่มีอายุยืนก็เพียงหนึ่งรปีหรือเกินไปอีกเล็กน้อยตรัสรู้ที่ขวงต้นอัศร ธ, ธต้นอัศร ธ, ธในที่นี้หมายถึงต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้กล่าวคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายและตรัสรูนะ้ณขวงต้นไม้ใดๆต้นนั้นๆนเรียกว่าโพลตรัสรู้ที่ขวงต้นอัศัธา ทรงมีคู่พระอัครสาวกเป็นคู่เจริญได้แก่พระสาวรีบุตรและพระโมฆลลานะมีการประชุมพระสาวกครั้งเดียวมีภิกษุ1250รสูปพระสาวกที่เข้าประชุมล้วนแต่เป็นพระขีนาศมีภิกษุอานน์เป็นอุปถากเป็นอัครอุปถาคสำหรับส่วนนี้ในปฐมโพธิการระผู้มีพระภาคไม่มีพระอุปถาประจำบางคราวพระนาคสมมาละ บางคราวพระนาคิตะบางคราวพระอุปวานะบางคราวพระสุนัขตตะบางคราวพระสาคตะบางคราวพระเมขียะมีพระเจ้าสุทโธธนะเป็นพระบิดาพระนางมายาเทวีเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิดมีกรุงกบิลพัทเป็นราชธานีการบรรพชาของพระองค์เป็นอย่างนี้การบำเพ็ญของพระองค์เป็นอย่างนี้การตรัสรู้ของพระองค์เป็นอย่างนี้ การแสดงธรรมจากของพระองค์เป็นอย่างนี้พวกข้าพระองค์ประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคคลายความกำหนัดยินดีในกามจึงได้มาเกิดในที่นี้ครั้งนั้นเราพร้อมกับเหล่าเทพชั้นอวิหาได้เข้าไปหาเหล่าเทพชั้นอตัตบปาถึงที่อยู่เราพร้อมกับเหล่าเทพชั้นอวิหาและชั้นอตัตบปา ได้เข้าไปหาเหล่าเทพชั้นสุดทัศษาถึงที่อยู่เราพร้อมกับเหล่าเทพชั้นอวิหาชั้นอตบป่าและชั้นสุดทัศษาได้เข้าไปหาเหล่าเทพชั้นสุดทัศสีถึงที่อยู่ครั้งนั้นเราพร้อมกับเหล่าเทพชั้นอวิหาชั้นอตบป่าชั้นสุดทัศษาและชั้นสุดทัศสีได้เข้าไปหาเหล่าเทพชั้นอกนิฐาถึงที่อยู่ในหมู่เทพนั้น มีเทวดามากมายจำนวนหลายร้อยหลายพันเข้ามาหาเราถึงที่อยู่อภิวาสแล้วยืนอยู่นาทีสมควรเทวดาเหล่านั้นได้กล่าวกับเราถึงเรื่องตั้งแต่พระวิปัสสิพุทธเจ้าได้เสด็จปุบัิขึ้นในโลกจนถึงเรื่องของพระสมณะโคดมคือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันผู้ที่มีอายุยืนก็เพียงหนึ่งปีหรือเกินไปอีกเล็กน้อย ซึ่งเรื่องนี้ข้อความเหมือนกับที่เทวดาเหล่าอื่นได้ทูลให้ทราบดังเนื้อหาก่อนหน้านี้เช่นการทุกประการนะครับภิกษุทั้งหลายเพราะตถาคตมีปัญญาแทงตลอดธรรมาธาตุดังกล่าวมานี้จึงเป็นเหตุให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตการผู้ปรินิพานแล้วแม้เหล่าเทวดาก็บอกเรื่องนั้นให้ทราบ จึงเป็นเหตุให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดี ต, ตการผู้ปรินิพานแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วแหละจบมหาปทานสูตร